พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบเอ็ดพระสูตรที่สามจักกวัตติสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิพระผู้มีพระภาคประทับ น, นนครมาตุลาแขวนมาคตตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้พึ่งตนพึ่งธรรมะและเจริญสติปัฏฐานสีแล้วตรัสเล่าเรื่องรัตนเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ันหเนมิคือ 1. จักรรัตนะจากแก้วคือลูกล้อรถ 2. หัตถิรัตนะช้างแก้ว 3. อัศรัตนะม้าแก้ว 4. มณีรัตนะแก้วมณี 5. อิทธิรัตนะนางแก้ว 6. ขหปฏิรัตนะกุณคลังแก้ว เจปรินายกรัตนะขุนพลแก้วพระเจ้าทันหาเนมิตรัสสั่งบุรุษคนหนึ่งให้คอยดูว่าจากแก้วเคลื่อนจากฐานเมื่อไรให้มาบอกจำเนียนการล่วงมาเมื่อจากแก้วเคลื่อนจากที่บุรุษนั้นก็ไปกราบทูลพระองค์จึงตรัสเรียกพระราชบุตรองค์ใหญ่ มอบราชสมบัติให้แล้วปลงพระเกศาและพระมัสสุส่งผ้ากาสายะคือผ้าย้อมฝาดออกผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อออกผนวดเป็นราชฤาษีได้เจ็ดวันจากแก้วก็อันตรทานหายไปพระราชาพระองค์ใหม่ก็ส่งเสียพระราชหฤารุไทยเข้าไปเฝ้าพระราชฤาษีเล่าความถวายพระราชฤาษี ก็ตรัสปลอบว่าจากแก้วเป็นของให้กันไม่ได้และส่งแนะนำให้บาเพ็ญจั ก, กวัติวัตรคือข้อปฏิบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิมีฐานะอยู่ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมหรือซี่ล้อตั้งพันมีกลงดุมสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจะปรากฏขึ้นแก่พระราชาผู้รักษาอุโบสถในวันอุโบสถห้าค ผู้ขึ้นสู่ชั้นบนปร า, าสาทกราบทูลถามว่าวัดหรือข้อปฏิบัติอันประเสริฐของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นอย่างไรตรัสตอบว่าหนึ่งจงอาศัยธรรมะสักการะเคารพนับถือธรรมะให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ไม่ยอมให้ผู้ทำอันเป็นอาธรรมเป็นไปได้ในแว่นแคว้นสอง ผู้ใดไม่มีทรัพย์ก็มอบทรัพย์ให้ 3. เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติคือความอดทนโสรัจะความสงบเสงี่ยมและถามถึงสิ่งเป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสพไม่ควรเสพอะไรทำเข้าเป็นไปเพื่อเสียประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนาน อะไรทําเข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเมื่อฟังแล้วก็รับเอาสิ่งที่เป็นกุศลมาประพฤตินี่แหละคือวัดหรือข้อปฏิบัติอันประเสริฐของพระเจ้าจักรพรรดนั้นหมายเหตุข้าพระเจ้าย่อวัดของพระเจ้าจักรพรรดิได้สามอย่างแต่ในอัถกถาแจกไปตามพยัญชนะได้ถึงสิบอย่างคือ ให้อารักขาอันเป็นธรรมแก่หนึ่งพลรกายหรือกองทหารที่อยู่ใกล้ชิดสองกริย์น่าจะหมายถึงพระราชวงศ์และกริย์เมืองขึ้นสผู้ติดตามสพรามข้ารืหบดีหาชาวนิคมชนบท 6. สมณะพรามเจเนื้อและนก 8. ขัดขวางผู้ทาการที่ไม่เป็นธรรม เเพิ่มให้ทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ 10. เข้าไปหาสมณพราหม์แล้วถามปัญหาและแล้วอธิบายต่อไปว่าแยากเป็นส2องข้อก็ได้คือแยกข้ารหับดีออกจากพรามและแยกนกออกจากเนื้อแต่ที่ข้าพเจ้าย่อเหลือเพียงสามก็เพราะประเด็นแรกมุ่งในทางเคารพธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมและปราบอธรรม จัดเป็นข้อที่หนึ่งเมื่อพระราชาผู้เป็นราชบุตรกระทำตามจากแก้วก็ปรากฏขึ้นตามที่พระราชฤาษีทรงกล่าวไว้พระราชาจึงทรงถือเต้าน้ําด้วยพระหัต์ซ้ายทรงหมุนจากแก้วไปด้วยพระหัต์เบื้องขวารับสั่งว่าจากแก้วอันเจริญจงหมุนไปเถิดจงมีชัยเถิดแล้วยกกองทัพ มีองค์สี่ติดตามไปทั้งสี่ทิศจนจดสมุดสั่งสอนพระราชาในทิศนั้นๆให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วมอบให้ครอบครองสมบัติต่อไปตามเดิมคือข้อนี้เพียงให้ยอมแพ้เท่านั้นเมื่อได้ชัยชนะทั้งสี่ทิศแล้วก็เสด็จกลับสู่ราชธานีตามเดิมพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระองค์ที่สองถึงเจ็ด ก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าจากักรพรรดิที่เจ็เมื่อออกพนวดและมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วจากแก้วก็อันตรธานหายไปพวกอมา ร, ราชบริพานก็ถวายคำแนะนำเรื่องวัดหรือข้อปฏิบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิความผิดพลาดในพระราชาองค์ที่8ปด ราชาสดับแล้วก็ทรงจัดการรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแต่แม้พระราชทานทรัพ์แก่ผู้ไม่มีทรัพในข้อนี้เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือไม่จัดการด้านสังคมสงเคราะห์ไม่มีการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเมื่อเป็นเช่นนั้นความยากจนก็ภัยบุญเมื่อความยากจนภัยบุญคนก็ลักทรัพย์ของผู้อื่นราชบุรุษ จ, จับได้ก็นามาถวายให้ทรงจัดการ เมื่อทรงไต่สวนได้ความเป็นจริงแล้วและทราบว่าเพราะไม่มีอาชีพก็พระราชทานทรัพย์ให้ไปเลี้ยงตนเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภันยาประกอบการงานและบำรุงสมณะพราหมณ์ต่อมามีคนลักทรัพย์ของผู้อื่นและถูกจับได้อีกทรงไต่สวนได้ความเป็นจริงอย่างเดิมก็พระราชทานทรัพย์อีกข่าวก็ลือกันไปว่าถ้าใครลักทรัพย์ก็จะได้พระราชทานทรัพย์ คนก็ปราถนาจะลักทรัพย์กันมากขึ้นต่อมาราชบุรุษจับคนลักทรัพย์ได้อีกแต่คราวนี้พระราชาทรงเกรงว่าถ้าพระราชทานทรัพย์การลักทรัพย์ก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นจึงตรัสสั่งให้มัดโกนศีรษะพาตระเวนไปตามถนนหนทางด้วยบรรัาะเสียงกล้าวคือกลองชนิดหนึ่งนำออกทางประตูพระนครด้านใต้ ปราบกันอย่างถอนรากตัดศีรษะเเมื่อมนุษย์ได้ทราบข่าวก็พากันสร้างสัตราอันคมขึ้นและคิดว่าถ้าลักทรัพย์ใครก็จะต้องตัดศีรษะเจ้าทรัพย์บ้างจึงเกิดการปล้นหมู่บ้านนิคมนครและการปล้นในหนทางอายุลดอาธรรมเพิ่ม จากการที่ไม่ให้ทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ก็มากด้วยความยากจนมากด้วยการลักทรัพย์มากด้วยการใช้สัตรามากด้วยการฆ่ามากด้วยการพูดปดอายุและผิวพธุ์ของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมลงคือมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีบุตรมีอายุเพียงสี่หมื่นปีและลดลงเรื่อยๆในเมื่อความชั่วเกิดมากขึ้นเช่น การพูดเท็จอย่างจงใจการพูดสอเสียดการประพฤติผิดในกามเมื่ออายุลดลงมาเหลือห้าพันปีมากไปด้วยธรรมสองอย่างคือการพูดคำหยาบและการพูดเพอเจ้อเมื่ออายุลดลงมาถึง 2,500 ปีมากไปด้วยธรรมสองอย่างคือโลภอยากได้ของเขาและพยาบาทปองร้ายเขาเมื่ออายุลดลงมาถึง 1,000 ปี มากไปด้วยมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากคลองธรรมเมื่ออายุลดลงมาถึงห้าร้อยปีมากไปด้วยธรรมสามอย่างคือหนึ่งอธรรมราคะความกำหนัดที่ผิดธรรมในข้อนี้เช่นไม่เลือกว่าเป็นมารดาป้านา้าบิดาลุงอาเป็นต้นสองวิสมะโลภะความโลภที่รุนแรง 3. ธรรมะที่ผิดข้อนี้อัตถกถาอธิบายว่าความกำหนัดพอใจผิดปกติเช่นชายในชายหญิงในหญิงเมื่ออายุลดลงมาถึง250ปีมากไปด้วยธรรมคือการไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในสมณะในพราหมณ์การไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเมื่อเสื่อมลงอย่างนี้ทั้งอายุและผิวพรรณ มนุษย์มีอายุ250ห้าสิปีบุตรก็มีอายุเพียงหนึ่งรปีเหลืออายุสิบปีเกิดมิขสัญญีจะมีสมัยที่บุตรของมนุษย์มีอายุสิบปีหญิงสาวอายุห้าปีก็มีสามีได้รถเหล่านี้จะอันตรทานไปคือเนยใสเนยข้นน้ำมัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยรสเค็ ม, มเมล็ดพืชชื่อกุชารุสกะจะเป็นโภชนะอันเลิศเสมือนหนึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสาลีและเนื้อสัตว์เป็นโภชนะอันเลิศในสมัยนี้คือของเลวสมัยนี้กลายเป็นของดีในสมัยเสื่อมกุศลกรรมบททางแห่ ง, ก, ก, ก, รร ง, หงกุศลสิบประการจะอันตรธานอกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลสิบประการ จะรุ่งเรืองยิ่งแม้คำว่ากุศลก็ไม่มีผู้ทากุศลจะมีแต่ที่ไหนการไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในสมณะในพราหมณ์การไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลจะได้รับการบูชาสัรเสริญซึ่งตรงกันข้ามกับปัจจุบันจะไม่มีคำว่ามารดาาบิดาป้าอาภริยาของอาจารย์ภริยาของครู โลกจะเจือปนกันเหมือนสัตว์เช่นแพะไก่สุกรจะมีอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายกันคิดฆ่ากันอย่างรุนแรงแม่คิดต่อลูกลูกคิดต่อแม่พ่อคิดต่อลูกลูกคิดต่อพ่อพี่ชายคิดต่อน้องหญิงน้องหญิงคิดต่อพี่ชายจะเกิดมีสัตว์ถันตระกับคือกับที่อยู่ในระหว่างสัตราเจ็ดวัน คนทั้งหลายจะมีความสำคัญในการและกันว่าเป็นเนื้อคือมีค่าสัญญาจะมีสัตราอันคมเกิดขึ้นในมือค่ากันและกันด้วยสำคัญว่าเนื้อคำว่ามีค่าสัญญาแปลว่าความสาคัญว่าเนื้อถ้าใช้เป็นคุณศัพท์ก็ใช้ว่ามีคาสัญญีแปลว่าผู้มีความสาคัญว่าเนื้อหมายเหตุผู้อ่าน ในที่นี้ก็คงจะแปลว่าต่างคนต่างมองอีกฝ่ายเป็นสัตว์เห็นกันและกันไม่ต่างจากสัตว์จึงกระทำกันเหมือนสัตว์สำหรับคำว่าสัตถันตระกับอธถกถาอธิบายว่าอันตรกับที่พิณาได้ระหว่างคือโลกยังไม่ถึงสังวัตตกับก็พิณา ด, ด้วยสัตราซึ่งในระหว่างอันตรกับมีสามอย่างคือทุกพิกะขันตรกับ กับพินาศในระหว่างเพราะอดอาหารโรคนตระกับกับพินาศในระหว่างเพราะโรคสันธนตระกับกับพินาศในระหว่างเพราะสัตราาเป็นผลแห่งกรรมชั่วของมนุษย์คือถ้าโลภจัดก็พินาศเพราะอดอาหารหลงจัดก็พินาศเพราะโรคถ้าโทสะจัดก็พินาศเพราะสัตราา กลับเจริญขึ้นอีกมีบุคคลบางคนหลบไปอยู่ในป่าดงพงชักกินเงาไม้ผลไม้ป่าเมื่อพ้นเจ็ดวันแล้วออกมาก็ดีใจร่าเริงที่รอดชีวิตจึงตั้งใจทำกุศ ล, ลกรรมละเว้นการฆ่าสัตว์และบำเพ็ญกุศลธรรมละเว้นอากุศ ล, ลกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอายุก็ยืนขึ้นเรื่อยๆจนถึงแ0ด0มืนปี พระเจ้าจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่งเมื่อมนุษย์มีอายุยืน8 0ด0มืปีนั้นหญิงสาวอายุห้า0ปีจึงมีสามีได้มนุษย์จะมีโรคเพียงสามอย่างคือ 1. ความปรารถนาหมายถึงอยากอาหาร 2. ความไม่อยากกินอาหารคือเกียดคร้านอยากจะนอน 3. ความแก่ ชมภูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคามนิคมราชธานีแบบไก่บินถึงคือใกล้เคียงกันหยัดเยียดไปด้วยมนุษย์กรุงพาราณสีจะเป็นราชธานีนามว่าเกตุมะดีอันมั่งคั่งมีคนมากอาหารหาง่ายจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสังขะเป็นพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสีทิศ ปกครองชุนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดพระเมตรยะพุทธเจ้าเมื่อมนุษย์มีอายุยืน8 0ดหมื่นปีนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตรยะจากบังเกิดขึ้นในโลกเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้และเจรณะคือความประพฤติเป็นต้น แสดงทำภัยราะในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพร้อมทั้งอัฏถพยัญชนะบริหารภิกษุสงฆ์มีพันเป็นอเนกเช่นเดียวกับที่เราบริหารภิกษุสงฆ์มีร้อยเป็นอเนกพระเจ้าสังฆะจักระพัดจะให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทให้สร้างขึ้นครอบครองแจกจ่ายทานและออกผนวดในสำนักพระเมตรยะพุทธเจ้า ในไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อัญยอดเยี่ยมด้วยความรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองคือสำเร็จเป็นพระอระหันต์ครั้นแล้วตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพึ่งตนพึ่งธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่และสอนให้ท่องเที่ยวไปในโคจรของบิดาคือดําเนินตามพระองค์ก็จะเจริญด้วยอายุวันนะหรือผิวพันธ์ สุขะโภคะหรือทรัพสมบัติและพละะคือกำลังทรงแสดงการเจริญอิทธิบาทคือคุณให้บรรลุความสาเร็จสีประการว่าเป็นเหตุให้ดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือกว่ากับทรงแสดงการมีศีลสํารวมในปาติโมก ค, คือศีลที่เป็นประธานว่าเป็นเหตุให้มีวันนะทรงแสดงการเจริญฌานทั้งสี ว่าเป็นเหตุให้มีสุขทรงแสดงการเจริญพรหมวิหารสี่ว่าเป็นเหตุให้มีโภคะคือมีทรัพย์สมบัติทรงแสดงการทําให้แจ้งเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเพราะสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นเพราะปัญญาอันไม่มีสวะอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเหตุให้มีพละคือกําลัง ตรัสในที่สุดว่าไม่ทรงเห็นกำลังอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่ครอบงำได้ยากเท่ากำลังของมารและเพราะสมทานกุศ ล, ลธรรมบุญก็จะเจริญยิ่ง